วันนี้เป็นวันร่วมปฏิบัติธรรมของพวกเราแรมแปดค่าเดือน3ามปีสี่ให้พวกเราทุกทกท่านให้ตั้งอกตั้งใจรักษาเจตนาเดิมของพวกเราเอาไว้เจตนาเดิมของพวกเราเป็นเจตนาที่บริสุทธิ์คือพวกเรามีความมุ่งมั่น บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาอยากจะสร้างประกอบคุณงามความดีอยากจะรักษาศีลภาวนาแต่บางท่านบวชเข้ามาเบื้องแรกก็ยังไม่รู้จักแต่พอมาระดับหนึ่งก็เป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ทั้งอกตั้งใจอันนั้นก็คือเจตนาแต่เบื้องต้นเช่นเดียวกัน แต่เบื้องแรกจริงๆเราก็ไม่รู้แต่บางท่านก็ได้ศึกษาซะก่อนจึงเข้ามาบวชแต่บางท่านก็ไม่ได้ศึกษาดีเท่าที่ควรแต่พอเข้ามาบวชแล้วก็ได้ศึกษาตั้งแต่ได้ศึกษารู้แนวทางจากนั้นก็ตั้งอกตั้งใจ น, นั่นแปลว่าเจตนาเดิมเริ่มต้นเริ่มแรกที่เรามุ่งมั่นเข้ามาประพฤติธปฏิบัติเพราะฉะนั้นอยากจะให้รักษาเจตนาเดิมที่เราได้ริเริ่มแต่ครั้งแรกนั่นอนะ พยายามมีความมุ่งมั่นอย่าให้ถอยหลังถ้าว่าถอยหลังไปว่าเป็นผู้แพ้เป็นผู้ประลาชัยเป็นผู้ไม่สู้เพราะนั้นพวกเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นถึงจะล้มลุกคุกคานอย่างไงก็ตามเรามีความมุ่งมั่นมีความพยายามอยู่อีกสักวันหนึ่งพวกเราต้องไปได้ต้องผ่านพ้นไปได้แต่ถ้าว่าพวกเราถอยหลังซะ จบซะยอมแพ้ซะมันก็จบตั้งแต่วันนั้นตั้งแต่วันยอมแพ้ยกธงขาวยอมแพ้แต่ถ้าว่าเราจะมีความมุ่งมั่นอยู่สู้มีความพยายามตั้งอกตั้งใจตะเกียกตะกายปุกปัําไม่ถอยหลังพยายามอีกสักวันหนึ่งพวกเราก็จะต้องเห็นช่องเห็นทางที่จะมีทางเด็ดหลอดไปได้โดยไม่ต้องสงสัย เข้าในบทพระบารีที่ว่าวิริเยตุกขมัตเจติผู้ร่วมทุกได้เพราะความเพียรพวกเราก็เหมือนกันถ้าเรามีความเพียรมีความพยายามอยู่ความสําเร็จทุกระดับขั้นตอนจะต้องเกิดขึ้นสําหรับพวกเราเพราะฉะนั้นพวกเราถึงจะมีหน้าที่การงานอย่างไรก็ต่างภายนอกภายในแต่ส่วนภายในนั้นพวกเราจะให้ห่างเขินจะให้ละเลือน ต้องพยายามยึดไว้ในใจอยู่เสมอถ้าพวกเราขาดหลักใจสัอย่างเดียวมันจะลอยแพรความหมายอย่างอื่นมันจะถอยกูดไปหมดความเชื่อมั่นในศรัทธาในบุญในกุศลมันจะถอยกูดไปหมดแต่ถ้าว่าพวกเราเชื่อมั่นในหลักธรรมเชื่อมั่นในหลักใจในเชื่อมั่นในหลักประพฤติปฏิบัติจิตตะภาวนาของเรา พยายามหาช่องหาทางพยายามกั้นกรองไตรตรองเหตุและผลของเราในจิตในใจอยู่เสมอจนถึงเข้าขั้นจิตเย็นสบายจากนั้นก็เข้าสู่ความสงบเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งด้วยความสงบต่อเนื่องสืบเนื่องผมว่านั่นแหละโอกาสที่จะถอยหลังนั้นยากจากนั้นก็พยายามดูดตื่ม ไปเรื่อยๆแต่ถ้าหาว่าพวกเรามีแต่ศรัท ธ, ธาอย่างเดียวมีแต่ความเชื่ออย่างเดียวความเชื่อนั้นอีกสักวันหนึ่งความเชื่อของเราก็จะต้องถอยหลังได้เหมือนกันเพราะไม่สัมปะยุตไปด้วยปัญญาไม่สัมปะยุตไปด้วยเหตุผลที่เราได้รับจากการประพฤติธปฏิบัติของพวกเราเพราะฉะนั้นทั้งสองอย่างอันดับแรกก็คือศรัท ธ, ธาตั้งความเชื่อไว้ก่อน เชื่อในพ่อแม่ครูบาอาจารย์เชื่อในพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา้าท่านแนะนําอย่างไรพวกเราก็รงมือลงมือประพฤติธปฏิบัติตามธรรมของท่านขอให้การลงมือประพฤติธปฏิบัตินั้นอย่าไปทำแต่ว่าสักแต่ว่าธรำอยากแต่ว่าทําไปเป็นวันๆให้เอาจริงเอาจังกับตัวเองพอสมควรจึงจะเห็นผลถ้าหากว่าพวกเราทําแต่สักว่าธทำนั้น จะไม่เห็นจะไม่ได้รับผลทางจิตใจเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นอยากจะให้หมู่พวกเ <P ew an> พื่อนทุกองพยายามทําให้สม่ําเสมอถึงจะเหน็ดเหนื่อยยังไงก็ลุกมานั่งพอหายเหนือ่อยแล้วก็ลุกนั่ ง, งเราอดอาหารเรายังทําอดอาหารตั้งหลายวันเราเหนื่อยกว่านี้อันนี้เราทานอาหารแต่ละมีการงานถึงจะเหนื่อยก็เหนื่อยในระดับหนึ่งบางองค์บางท่านท่านยัง พยายามทาการทำงานพยายามเดินยกลมให้มากทำการงานให้มากเพื่อจะให้ลดกำลังกายส่วนหนึ่งให้ลงจากนั้นท่างก่อนออนั่งภาวนาให้เข้าวตัดกำลังของร่างกายลงให้มันเหนื่อยสิ่งเหล่านี้ก็เป็นแนวทางสาหรับผู้ปฏิบัติธรรมเหมือนกันมีหลายๆอย่างอย่างครูบาอาจารย์ในยุคปัจจุบัน พวกรุ่นใหญ่ๆอย่างหลวงปู่พรมเนี่ยกิละปุญโยปันรงเย็นอันนั้นก็การงานของท่านไม่มีใครสู้ได้ในกลางวันพระรุ่นราวคราวเดียวกันโอ้ท่านทำงานถึงขนาดนี้กลางคืนท่านคงจะนอนเอกข็กทั้งคืนคงจะเหนื่อยแต่ที่ไหนได้ท่านเดินยังกรมยิ่งกว่าคนที่ไม่ได้ทำการทำงานเสียอีกท่านเดินยังกรมจนใครสู้ไม่ได้ สรุปแล้วท่านการงานของท่านเก่งทั้งภายนอกเก่งทั้งภายในการงานภายนอกท่านก็ทำแต่ภายในเรื่องจิตภาวนาเรื่องพาาิจารณาเรื่องนมามธรรมใน จ, ใจิตใจก็ไม่มีใครสู้ทันได้อันนี้ก็คือแนวทางที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเคยประพฤติปฏิบัติมาเพราะนั้นพวกเราทุกท่านก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจ ทำภาวนานให้สืบเนื่องถึงการงานมีก็ให้รู้จักว่าการงานอันนี้คือการงานภายนอกการงานภายในของเราจะให้หย่อนยานขาดเหลือขาดตกจนเกินไปต้องพยายามทําให้ออให้ได้แต่ละวันแต่ถ้าวันเราขาดไปวันหนึ่งก็ขาดวันสองก็ขาดต่อไปก็ขาดก็ห่างไปเรื่อยๆผลี่สุดมันไม่ใช่แต่เฉพาะมันไม่ใช่ห่างไปเฉยๆเด้แอม กิเลสภายในใจของเราเจ้าราคะเจ้าโทสะเจ้าโมหะเนี่ยมันจะมาลุมมาตุ่มจิตใจของเรามันจะเต็มไปด้วยความโลภโกรธหลงในจิตในใจของพวกเรามันไม่ใช่ถอยธรรมดามันถอยออกจากธรรมมันก็เข้ามาทางกิเลสถ้าเราขยับไปทางธรรมกิเลสมันก็ถอยออกจากใจของเราเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านต้องพยายาม เรื่องกิตตภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของศีลศีลคือรักษากายวายใให้เรียบร้อยเนี่ยอย่าให้ขาดเหลือขาดตกบกพร่องให้สม่ำเสมอถ้าว่าตัวเองเห็นว่าไม่สบายเรียกว่าต้องอาบัตในวันนี้ที่เรากระทําลงไปต้องอาบัต เ, เราก็แสดงอาบัตซะ เ, เพื่อความบริสุทธิ์ทาง กายทางวาจาเพื่อจะให้ใจของเราปลอดโปร่งใจของเราได้รับความเป็นอิสระเมื่อเราไม่มัวหมองในศินทางกายวาจาแล้วใจของเราเมื่ก็เบิกบานองค์อาจกล้าหาญเป็นผู้เชื่อมั่นในตนเองอันนี้ก็คือ กลุ่มของศีลก็เป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งสําหรับผู้ประพฤติปฏิบัติจะมองพระมองข้ามไม่ได้เพราะนั้นเรื่องจิตตภาวนาเนี่ยมันเป็นมาแต่เรื่องศีล เ, เป็นพื้นฐานเรื่องศีลสมาธิสมาธิก็เคยบอกกล่าวให้หมู่พกเพื่อนทุกองพยายามทําให้สม่าเสมอกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพยายามก้าวเดินขาขวาพุทธขาซ้ายโท อย่างเนี้ยลูกอาการหลับนอนของเราตะก่อนหลับแล้วก็กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออก ก, ออกําหนดดูเออเรากําหนดดูเออนี่ร่างกายของมนุษย์ถ้าตายไปแล้วแต่ตายอย่างเนี้ยเหมือนกับเรานอนอย่างเนี้ยเออเพียงแต่เดี๋ยวนี้เรายังมีลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่แต่คนตายเนี่ยหมดลมแข็งตัวแข็งทื่อไปเรื่อยๆ สามวันเจ็ดวันร่างกายของเราก็จะหมดสภาพเนา่าพุพองขึ้นไปเรื่อยๆเอนี่แหละคือร่างกายของมนุษย์เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นอันนี้คือเรานอนเราก็ภาวนาได้พิจารณาได้จากนั้นเขาได้เวลาลุกขึ้นมาเอา้าวลุกขึ้นมาก็ น, นั่งภาวนาพยายามพลิกจิตพลิกใจพยายามดูใจของตนเอง ให้มันอยู่ในความสงบให้มันติดยึดกับพุทโธกับลมหายใจเข้าหายใจออกหรือไม่ก็ให้มันอยู่กับร่างกายของเราเรานั่งอยู่ในขณะนี้เรานั่งอยู่ในสภาพเช่นไรให้มีสติอยู่ในร่างกายของเราไม่ให้มันเผลอไผไปทางอื่นให้รู้อยู่ในกายของเราอยู่ตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้ก็คือการภาวนาทั้งหมดเป็นสมถะคือพยายามให้จิตใจรวมมาอยู่ที่กาย ให้เฝ้ากายให้ดูกายไม่เห็นนีจจากกายหรือคือให้เฝ้าบ้านอยู่ตลอดเพราะงั้นเถอะจากนั้นก็นํามาพิจารณาทางปัญญาแยกแยะอย่างที่กล่าวสากครูนี่ว่าเปลี่ยนนาเหมือนตัวเองตายแล้วนั่งลงไปตายร่างกายมันตายมันแตกผลลัพสุดกับมีอะไรอย่ใ น, นร่างกายของเราเนี่ยพยายามคุยเกี่ยขุดค้นดู ในเรื่องต่างๆของร่างกายแต่ร่างกายนี้ถ้าหากว่าอยู่เย็นเป็นสุขไม่มีอะไรทานอาหารอร่อยนอนหลับขับท่ายสะดวกสบายร่างกายอันนี้เขาไม่มีปัญหาอะไรใจของเราก็ค่ายๆติดในร่างกายแต่อีกสักวันหนึ่งเมื่อมันเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาอย่างกระทันหันเจ็บอย่างแรงปวดอย่างแรงอย่างนี้ มันต้องมีไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งจิตใจของเราเป็นยังไงในขณะนั้นเราก็นาจิตขณะนั้นแหละมาพิจารณาร่างกายของเราเนี่ยไม่น่าไว้ใจอีกสักวันหนึ่งจะต้องทุรนทุรายอีกสักวันหนึ่งจะต้องแตกสลายในที่สุดเมื่อแตกสลายไปแล้วใจของเราจะทำยังไงก็ต้องออกจากร่างนี้ไปไปเกิด ถ้าเรายังไม่พ้นทุกข์เราก็ไปปฏิสนทิเบียนไายในวัฏสงสารในวัฏตนอันนี้แหละเกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างนี้สูงสู ง, สงตา่ตาตําลุ่มลุ่มรอนรอนไปเรื่อยเพราะนั้นไม่มีที่สิ้นสุดเพราะนั้นพุทธเจา้าท่านจึงให้กำหนดดูกายกำหนดดูใจให้ชำระใจด้วยตปธรรมคือศีลสมาธิปัญญานี่นะชำระใจให้รู้แจ้งเห็นจริงเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงในกายในใจแล้วก็ใจ รู้เท่ารู้ทันแล้วก็ปล่อยวางอันนี้คือหลักที่พระพุทธเจ้าพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าไม่มีอย่างอื่นอยากจะให้พวกเรารู้กายรู้ใจก่อนที่จะรู้ใจก็ให้รู้กายซะก่อนเพราะกายเป็นของหยาบเงินเห็นด้วยตารู้ด้วยใจการขับถายย่ายยังไงก็เห็นมันออกมายังไงมันเข้าไปยังไงหายใจยังไงหายใจออกอย่างไร ร่างกายมันมีอะไรอยู่ในร่างกายนี่มีเนื้อมีหนังมีเอ็นมีกระดูกมีตับไตลำไส้กระเพาะมันมีอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมปฏิเสธไม่ได้มีจริงแน่นอนอันนี้คือร่างกายให้รู้กายจากนั้นก็พอรู้กายก็ให้รู้ใจใจคือนา ม, มาธรรมที่ไปรับรู้สิ่งต่างๆรู้ต่างๆรู้เรื่องหนกเหืองในเรื่องช úng, ุ้งเหองตำเรื่องขู่เหืองคน เรื่องต่างๆของที่เรารู้ทั้งหลายแหละอันนั้นเดียว่านา ม, มธรรมเป็นใจใจตัว น, นั้นะเป็นสิ่งที่สาคัญพระพุทธเจ้าว่าเป็นตัวการที่จะให้พวกเราจับด้วยสติด้วยปัญญาให้มันอยู่นิ่งให้มันสงบจากนั้นก็พียารณาซักฟอกใจของเราด้วยตปธรรมคือปัญญาน่ะปัญญา ละเอียดความเพียรละเอียดปัญญาละเอียดจนรู้แจ้งเห็นจริงถึงบีมุตติญาณทัศนะจากนั้นก็จะได้ปล่อยวางไม่ใช่ปล่อยวางที่อื่นธรรมะของปริเจ้าปล่อยวางที่ใจรู้ที่กายรู้กายให้รู้กายว่ากายไม่ใช่ตัวเรานะไอ้ทํามันบอกมันรู้พอรู้กายได้ก็รู้ใจ ใจรู้ัวใจรู้เกิดปล่อยที่ใจ ว, วางปล่อยวางที่ใจเพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะให้ตั้งอกตั้งใจบำเพญ็ญภาวนาอย่าคิดว่าโลกคนี้เป็นโลกที่น่าอยู่อีกสักวันหนึ่งโลกคนี้จะเดือดร้อนเดือดร้อนคือตัวของเรานันนะ่ะภัยจะตามเข้ามาชรลาภายัยพยาที่ภยัย มรณภัยจะต้องตามถึงร่างกายของเราแน่นอนเดี๋ยวนี้ก็ตามมาเรื่อยๆอยู่แล้วแต่พวกเรายังมองไม่เห็นยังสนุกสนานเพลิดเพลินกันอยู่แต่ตามมายิงมันตามทุกวี่ทุกวันกว่าที่จะรู้ได้มันพอแรงแล้วว่างั้นเะเพราะนั้นเราจะได้ให้เป็นอย่างนั้นพอเราอยู่ใกล้นักปราชุดีประธทำคําคสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหะคือนักปราชญ์ท่านแนะนําสั่งสอนของเราอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกเวลา อย่าประมาทนะอย่าประมาทนะอย่าประมาทนะท่านสอนอยู่อย่างนั้นให้รู้เท่ารู้ทันนะร่างกายนี่มันแก่นะแก่ไปเรื่อยๆนะให้ดูไปเรื่อยๆนะร่างกายมันแก่นะเดี๋ยวนี้เท่าไหร่แล้วใ ห, ให้ทบทวนอยู่อย่างนั้นร่างกายมันตายนะแน่นอนนะไม่มีใครเหลืออยู่ได้สักคนแม้แต่คนเดียว เ, เมื่อตายไปแล้วใจของเราเป็นยังไงตัวนมามธรรมไม่ตายตัวนี้ ถ้าเราอยากจะรู้จักว่าเป็นยังไงและนามาทำเป็นยังไงพยายามทําจิตให้สงบเมื่อทําจิตให้สงบนิ่งแนวนิ่งลงไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนเลยจิตของเราเนี่ยเป็นลักษณะแน่นปึงเลยว่างั้นเถอะเออเป็นก้อนเห็นได้ชัดโดยตนเองเลยเออที่มันจะไปเกิดก่อพบก่อชาตินั้นออกไปจากใจนี้ทั้งหมดอที่พขาพูดไอ้เจ้าจําระก็คือจําระตัวนี้แหละ มันมีเชื้ออยู่ในนั้นเชื้อที่จะพาให้เกิดในวัฏสงสารเวียนว่ายตายเกิดคือเชื้อกิเลสราคะหนึ่งโทสะหนึ่งโมหะหนึ่งถ้าว่ายังมีราคะอยู่จะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้แน่นอนถ้าราคะหมดเมื่อไหร่ไม่มาเกิดอีกไปอยู่ชั้นสุดทวารห้าชั้นอวิหาอัตปาทุศรษาทุศรีกนิฐาเป็นพระนาคามีอั น, นั้นคือตัดราคะเด็ดขาด ถ้าว่ายังตัดราคะอย่างไม่ได้กราร ม, มาราคะยังไม่ได้จะ ต, ต้องเวียนว่ายตายเกิดเพราะฉะนั้นเรื่องกราร ม, มาราคานี่ยเป็นเครื่องดึงดูดของโลกเพรว่าเป็นเครื่องที่เหนียวแน่นที่สุดเส้นหนึ่งของกิเลสเพราะฉะนั้นการที่จะตัดราคะได้เคือธรรมะจุดไหนพระพุทธเจ้าท่านไม่มองเห็นอย่างอื่นพระบวชเข้ามากับท่านกระบอกให้ให้อาวุธเลยที่จะตัดราคา คือกรรมฐาน5เกสาโลมานาขาทันตาตะโจเกสาผมโลมากดณขาคเล็บทันตาฟันตะโจหนังเอาเพียงแค่นี้ก็พอก่อนนะเพราะมีเวลาน้อยวันนี้สอนเพียงเท่านี้อันนี้คือให้กรรมฐานหําหรับพวกเราที่จะฝัดฟันกับกิเลสตัวเจ้าราคะในจิตในใจของเราแต่ถ้าว่าเราพิจารณาตามที่พระพุทธเจ้าอบรมบอกให้กรรมฐานให้แล้ว เมื่อเราเห็นตามความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าบอกแล้วเนี่ยกิเลสราคะโทสะมันต้องขยับไปชั่วขณะหนึ่งเหมือนกันแต่เราพิจารณาอย่างต่อเนื่องพิจารณาอย่างสม่ำเสมอการ ม, มาลาคะตัวนี้กิเลสตัวราคะนี้มันจะต้องหลุดออกไปจิตใจแน่นอนมันมองไปเห็นสิ่งไหนแล้วมันจะมีความกำหนัดยินดีย่ากได้อย่างไรเพราะว่ากิเลสตัวนี้พิจารณากายอันนี้ มันเห็นเป็นอสุภะเยิ่มไปหมดแล้วเต็มไปหมดด้วยอสุภะปฏิกลกิเลสมันจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเมื่อเราพิจารณาเห็นตัวร่างกายจบแล้วเราพิจารณาถึงใจด้วยพิจารณาใจใจก็เกิดความเบื่อหน่ายเห็นตตมความเป็นเจงจริ ง, รงๆมันก็ปล่อยวางอันนี้ก็คื อ, ป ล, อ, อปล่อยวางข้างข้างนอกปล่อยวางข้างข้างในอสุภะภายนอกอสุภะภายใน เอาสุภาพภายนอกก็คือสิ่งที่เราเห็นเอาสุภาพภาย น, นคือจิตที่เราไปยึดถือไปยึดมั่นปล่อยทั้งตัวนี้ด้วยจากนั้นก็จิตของเราก็หมดตักไปเรื่องนั้นไปได้นี่แหละพระอนาคามีจะไม่ลงมาเหยียบพื้นแผ่นดิน น, นี้อีกมีแต่อยู่ชั้นชุตทาวาสกันนั่นก็ผันตัวขึ้นไปเรื่อยๆจนตัดสู้เป็นพระอรหันต์ในชั้นพรมไม่ลงมาเกิดในโลกนี้อีก อันนี้แหละเรื่องกามกิเลส ต, ตัวนี้การ ม, มัร า, าคาตัวนี้เราจะไปมองข้ามมาเป็นของเล็กน้อยเป็นเรื่องที่เป็นเชือกที่เส้นใหญ่มากเหนียวแน่นมากเพราะนั้นพวกเราทุกท่านนะต้องมองดูกิเลส ต, ตัวนี้มันเกิดอยู่กับทุกสิงสารสาัตว์ไม่ว่าระดับไหนมีหมดกระถึงเทวดามีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส พระนั้นพุทธเจ้าท่านให้อาวุธแก่พวกเราคือกรรมฐาน5ที่จะฟาดฟันต่อสู้กับกิเลสตัวนี้เพราะนั้นเราต้องใช้อาวุธให้เป็นต้องใช้อาวุธให้ถูกต้องต้องพยายามใช้อาวุธให้มากตัดกิเลสตัวนี้นั่นแหละพวกเราจะมีความล่มเย็นเป็นสุกทางจิตใจเพราะนั้นวันนี้ผมเองก็จะไม่พูดอะไรมาก เราก็จบ ก, การพูดวันนี้เขาขอพูดเพียงค น, นิ้